มีหนาวเป็นพิเศษอากาศหนาวเป็นพิเศษแต่ว่าหนาวนี่ยลังค้นกับบ่มักลังค้นกับย่านย่านหนาวบ่มักหนาวย่านบ่มักไ่ชอบแต่ว่าหนาวนี่ดีอันเท่าบอ่มักหนาวไปหอดอ้วยมันนอนฮ้อนเนี่ยมันจคืนคอดเนี พืชผอดหนาวอุย้ยเฮีเย็นเย็นเลยไหมเราจะย่างห่อ น, นห่อ น, อนมกักๆเะยโตนน้ำหมดอนะไรห่อนกระบอมกักหนาวกระบอมากฝนตกมันถื้นมันแคะกระบองมากในโลกน่านี่มีแต่หากอยากเกิดมา่จะได้หลรอ <c oughs> ให้เขาคิดว่าเออเข้ามาเกิดในย่อนคว่ำข้องอยากเกิดนี่แหละมันจะมาเกิดมันเกิดมาแล้วนั่ น, นยีหยั่งอยู่ในนี่จําเป็นจะต้องเอาถึงแม่นต้องเอาเม็ดมันเกิดมาแล้วเด้เกิดหน้ากับบ๊วยใช้ให้ไม่เกิดดอกเท่านีละอยากมาเกิดคว่ำอยากมาเกิดแต่เป็นเหตุให้ให้ไม่เกิด ไย้อนว่าบัตรเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อ้ิีฐานนะหลวงพหนึ่งโอ้ยศาสนาขอให้เกิดสีนี้เถน้อยศาสาให้เกิดสิดเดเพราว่ามัเกิดนมืเกิดนิสจริงๆเกิดต่พ่อหนาวพ่อฮ้อนพ่อมีใจพ่อเสียใจพ่อเจ็บพ่อคุ้ยพ่อใครพ่อควบญาตควบบาศควบกลัวต่างๆพ่อแก่พ่อเฒ่าพอตาย ในโลกอ <c oughs> ันนี้นมเป็นสิ่งเพราะฉะนั้นในหนาวก็ดีหนาวฝนก็นดีนหนาวหอนก็นดีในคิดว่าเฮ้ า, เ, นนาเป็นนักมาต่อสู่พรแห้งแล้วเป็นผู้สมัครมากพรแห้งอยู่แล้วสมัครมาสูี่ที่สูน่นี่บ่เม็นว่าไปสู่คับหนาวจช่นนั่นหอกสู่ครับใหญ่เฮาใหญ่ใหญ่เฮ้าดิน้นเอาลองเฮ็ดดูเฮ็ดเตยดูวูกัน มึงจะนาวกับหนาวแค่ใยยังจี๋ลองมึงดูเข้าสู่สู่กับใจสู่กับหนาวนั่นไปเอาผ่าหมมาเอาผ่าหมมาโมอันไหนมันสู่กับหนาวเอาผ่าโฮมก็พมแม่ไปสิงแดดแม่สิงไฟแน่มุน่ะท่านั่นแปว่าสู่หนาวแต่ว่าเขาเนี่ยเอาสู่กับใจใจไม่ดิ ตัวกับมันดิ่นย่าให้มันดิ่นย่าให้มันไปมันหนาวกว่า้น่แตซ่อมมันยืนอยู่ละมันอยู่กับลมพันใจเนี่ยลมพันใจเข่าของหมื่อล้มพันใจออกกับเมื่อยืนอยู่เนี่ะหูมือล้มพันใจของภาษาภาวาน่าบ้านเราเอิ่นว่าซ่อมล้มควบมึงยังไนึ่งดอกซ่อมเน่ะไอซีโบนจักซ่อมตื้อซ่อมล้มด้วล้มอยู่นี่ทุกคนนะล้ลมพันใจเนี่ มันจะเข้าพอท่านซ้อมเบื้องภนัในแหละมันจังบวเห็นภาวนามันซ้อมหรอกเป็นหอกอันใจเขาก็ซ่อมเบิ้งอันใจออกก็ซ่อมเบิ้องละเอียดอแต่พอบนเันเชือสองเชือเได้เลยเอาเล่ไหลเอาดูดูเอาสุญามนะเป็นละอันนี้ปันเทศแนวนั่นจักน้อยใจมิจติยูมันใจยูเราบริยานดอกหนาวนี่ก็บ่ิสร้ง บ่มีสั่งบ่มีหักบ่มีหยาดบ่มีหวาดมีขวายนิสใจดีหมเย็นมีสันเดชเนี่ยต้อมต้อมได้ตอมล้มภาษาง่ายๆดอกปานเท่าน่ะลมนีุ่กคนเน่ยและลมหันใจเขาลมพันใจออกมีสีงามมีสูคนบ่มียามได้บ่มีลมพันใจเฮแต่สีงามเด้อภาวนาเด้อ อาอ น, นี่นะมันบรร่ดนได้ยังจะแท้ก็ได้โอ้ยภาวนาบาเป็นภาวนาบอเป็นบอเป็นกนระตั้งกูกูซ่อมร่มเอากระเอาละคุณสนเราจ้าที่ล่ะมันเจ้ที่ได้เราคู่กับอาจารย์คุนภาวนาเป็นหลวงปูเนี่ยหลวงปูทั้งหลายหลวงปูต่างๆเนี่ยคุณภาวนาเป็นเน่ยคุกระซ่อมร่มยังที่ล่ะเนี่นย ความร่มนี่พี่แหละฮั้นใจเข่าขอเมื่อฮั้นใจออกขอเมื่อร่มหั้นใจน่ะร่มหั้นใจเนี่มันดีเพาเหตุยั้งอยู่มันกัมีอืมเบื้งหนังอยู่ทอดบริเวณหัวสร้อยอยู่ของซํานะเบื้งหนังอยู่มันกัมีอยู่เบื้งเท่าละทัดกัมีอยู่เขาไปนั่งทายนางเหนียวอยู่ในห้องหน้ามองตวงเลยมันกับนี่อยู่ฮันใจเนี่ย ทำหน้านอับคางก็มีอยู่นอนรับไปใจแช่มันจะยังมีอยู่ได้ลมหายใจเนี่ยมันมีอยู่นี่อยู่ตลอดซ้อมเท่านั้นแหละแต่ซ้อมแล้วก็เป็นละมันจะเป็นยังไดที่มันจะเป็นสมารถที่มันจะเป็นเสถีมันจะเป็นสั้น ป, นปชันญาชั้นปทันญาแปลว่าข่มผู้ผู้เมื่อเจ้าของขันเท้าโบซ้อมแล้วมันโบหงมื่อตัวเจ้าของเนี่ย กันทั้งซ่อมมาแตงเขาจังหเมืองซอมบงเจนีนี่แหละเานังอยู่บ่อขอยนเยแต่มสีหูจักผู้จักรวเดอยนี่ว่าโอ้เขานังอยู่ตัวอะไรนั่ น, นะเริ่มเป็นพรวนาแล้วนะมันี่ซอมดูดูซ่อมดูมดูซ่อมไปเรื่อยๆซอมด น, น, นดนอนเทสโดนๆแล้วมันติดเป็นนิสไเป็นสันดานเป็นนิสไซไอเทสเนี้ง อ, อยู่กับคุณจัง พูดยังหูเมื่อยเก็ของอยู่เลยนี่เด้ดีอันนี้จะละดีพอค่อยเดือดไปห่อนก็พูดได้ดอกไปที่เป็นตะซั่งไปทีิเป็นตะห่ า, หายเป็นตะดาอันพูดที่เขาเค่อยเขาเป็นตะซั่งมันก็เศร้าซั่งเศร้าห่ายมันเป็นยางไงนี้คันใจมันดีใจมันยู่ดีแล้วไม่โรคเลยดีมดดีมัดทุด่นแนี้ นี่หลายแน่อยูดอกในโลกนี่แต่ว่ากันใจเฮ้าบดีโบได้จ๊กแน่วกัใจเฮาดีใดมดโลกนะอย่าซ่อมเอาใจนี่ละเฒ่าหาเนี่ยเแค่พุ่นเน่ะจนหอดปนีเนี่ยเฒาหาโบถึงมองโบถึงคอมมันซื้อดอกคอมมันนย ม, มองมันสิอเอาเนี่ยมัน ใ, นใจเฮ้านีูเฒาไกาไปใส่มาโบได้หูวซามนนันบางเอาอันนี้แหละได้ดเพราะกันเพีอันนี้เอาอันนี้ เมนเดนีจะเพ็ดเมื่อบานแล้วก็เฮ็ดอย่าเงี้ยเฮ็ดคุยแยามือทั้งคือเว้นกลางขึ้นเมนเตวัลย่ก็คู่อื่นอยู่เมือนก็ยังซ้อมอยู่ดิคันผู้คันผู้ฮัดดีๆ้วซ่อมนี่ฮหละเนี่ยคลองดีมันเดนีแหละเราบู๊จั๊กนี้ไปหาแจ๊กกอร์ไก่ไปซุนไปทีนี่มาเปลีนอยู่พอต้องมากอะไ้รอกคันเจ็ดเป็นเนี่ยซ้อมซ่อมอยู่ฟองนี่ เ้ก oh, ็มจะปืนโอ้จหากับหนุูครูบาอาจารย์องนันองนี้จะเอาน้ำเพลนมันไ่ได้อกได้เอาน้เพลินันไ่ได้ก็ได้ได้จะได้จะมที่เหตุนั่นหละแล้วเขาก็มาเห็ุช่นเขาจริงๆไปเบิ่งเป็นเห็ดหน้าเป็นเหตุเชิงไดแล้วก็กลับมาเห็ดอยู่ทงหน้าเขาเป็นแบนนัตั้งใจเขาด้วยแต่พ เอาลรามั่นคงไขคงมันเนี่ยคือการคือกาสวยเนี่ยล่ะสวยอาหารต้องแก่ถวยไข่สวยมันนย่นแน่นการพู้ได้เาบาก็บาได้เร่อเนี่ยคือคกันครับอันนี้ใหตั้งใจเอาละตั้งใจเอางคงไข่งมันพวมีเวลาหลายดอกใส่ห้องมีเวล่านยน้อยอ่าจิตหกจิตแปดจิตเก้าิ่นันแหละระยะเนี่ ย, อ, ย, อ, อ, อ, ยอ ด, ดน นควมบาทค่ามกลัวค่ามยานข่วมขังห้นความนักอกนักใจียังก่างกลนเข้าหัดใจดีดีซุกดีดีซุกาวนาอซุ๊ซ้อมล่มนี่ละันรอนซ้อมล่มนี่จกะเท้าล่มมันอยู่หูมเมื่ออยู่จะล่ม จิตใจมันโฮมเย็นเข้ามัดเองเข้ามัดแน่วหนะ้หอดแน่เป็นตะยนีนเป็นตทยานหลายๆีผีหลอกเป็นทวีนข้อมเจ็รไข่เดืวยเป็นทยานค้อมตายเป็นทยานอันเฮ็ดดีเลยเข้ายาดเด้เข้ายาดเมื่อเอาเอามีละที่แรกข้าบหงจักรันมาหงจักแล้วเนะี่ในสั่งใจเฮ็ดเนยะ ผู้บอกก็บอกได้เท่านี้ละไปเฮ็ ด, ดไส้เฮ็ดหาก็ได้นอกมีเท็ดเฮ็ดอไทเอามันซอยได้เหมเฮ็ดเบิ้นั่นน่ะเฮ็ดห้บเบิก็เห็หนซ้ำให้ต้องไปต่ไปไปจ็ของเฮ็ดระกราเฮ็ดเลืยเอาใจใส่แม่เลืยแม่เอาใจใส่นอื่นมากน้าหัวน้ําัวน้าบานน้ำต้องเอาใจใส่มาหลายเราโดนเนีน่นนนนนล ย, ล, ย, ล, ยะละ มันก็ดีอยู่โมเมนต์พอดีมัน ก, นก็ได้แะได้เลี่ยงตนเลี่ยงโตเฮ้ายืนมาเป็นผู้รักผู้ใหญ่คือามาปานนี่ยืนอายุตั้งโ ด, น, ดนปานนี่สายนี่แน่วมันนั่นละแต่ว่ามันมีแนวดีกูหันอยู่บางโมเมนต์นชุดแข็งนคื่อจะหมักใหม่แล้วมันมีสนมันมีสนแล้มีงาแล้วมีใบมันกะบชุดเท่นั้นนะเนี่ยมันยังมีนวยนี่หน่วลมีห ม, มา กินซุปกินแทบเป็นที่สไม่อยมีดอกนี่แหละ